ตั้งธรรมะขอให้พากันกาหนดจิตให้อยู่เฉพาะตัวอย่าไปส่งเค่นผ่านไปที่อื่นเพราะถ้าเราส่งจิตจิตตรงไปตามเรื่องอื่นธรรมะที่เราตระดับตับฟังก็จะไมเข้าสู่จิตสือใจของเรา นอกจากนั้นจิตใจของเรายังจะกับใจใส่ไปตามสัญญาอารมณ์หรือขนาทางหากเรากาหนดจิตเอาไว้ไม่ต้องฟุ้งต้องปรุงไปในสถานที่อื่นคอยตั้งจิตรองรับธรรมะที่การแสดงไปจิตของเรา อยากคล้อยสงบลงสงบลงมีความเยอนเย็นมีความสุกความสบายดังนั้นการฟังธรรมะจึงจำเป็นคือการตั้งใจใส่เป็นภาชนะเหมือนกัญโวาภาชนะคือถวารับน้ำสาหัสภาชนะตัดแขงไปหรือเอียงไปหรือต่ำไปเนี่ยฝนจะตกหนักขนาดไหนภาชนะนั้นน้าก็จะไม่มากนรือจะไม่มีน้ํา ในภาชณะเลยก็เป็นด้าดังนั้นพวกเราท่านที่อุตามาจากสถ า, านที่ไกลต่างใจมาเพื่อจะอบรมธรรมะสั่งภาชนะสั่งภาชนะด้วจิตใจของตนไวให้ดีธรรมะของพวะพุทธเจ้าอย่าไปเชื่ไปที่อื่นถึงจะ มีมากมายขนาดไหนสอนกายสอนใจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลเท่านั้นธรรมะคือกาสอนกายสอนใจตอเพาะที่เลดเกิดขึ้นจากกายจากใจไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากบินซาอากาศแต่นั้นธรรมะจึงสอนลงในกายในใจของบุคคล เพราะิเลตมี อ, อยู่ในจุดใดธรรมะจะต้องตามขับไ ล, ล่กิเลตออกจากจิตจากใจให้เบา บ, า, บ า, างสบายธรรมะของพระพุธทธเจ้าสี่เ้าองค์ตรงนี้สอนโดยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องสติปัฏฐานฐานที่ต่างของสติสติปัฏฐาน ทั้งสี่คือกายหมายถึงก่อนยินน้มลงไปหาด ท, ทัาา้งสี้เรียกว่ากายเวทนาสามสุขทุดนี้ไปเผยจิตตามนึกจิตลุงแต่งต่างๆถึงเราเป็นเจ้าตัวรู้จักทำหมายถึงเรื่องราวที่เขามาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจนีเรียกว่าสติปัฏฐาน ฐานที่ตั้งของจิตผู้ได้ตั้งสติชนดที่เจรนาตายเวทนาจิตทำผู้นั้นหลายชีวะผู้ปฏิบัติทำเมื่อตั้งอยู่ได้งานเท่าไรก็ยิ่งเป็นสาระประโยชน์จะทําจิตทำใจให้สงบลังนับดับกิเลสกัญหาไดา้เพราะเรื่องของกายเมื่อี่เจรณาแยบชายตามเรื่องยิงจัง ก็ไม่มีความกำหนัดยินดีไม่มีกิเลสตัณหาอะไรตายเพียงแต่เป็นเรื่องอาศัยของจิตไม่ใช่ตายเป็นของสำคัญมากมายอะไรเพราะกายพวกเราท่านเราจะพิจารณาหยาดทายลงไปเมื่อมีแต่เรื่องของตายไม่มีจิตอาศัยคนเราตายไปหญิงชาย มากมายหลายหลวงขนาดไหนก็ตามจะมากรองเทินกันไว้ก็ไม่มีใครจะกำนัดยินดีในกัรแลกกัน้าดทั้ง4ีเหมือนกันจะต้องแตกจะลายลงไปตามธรรมชาติของขาดแบบนั้นไม่มีอะไรเป็นของสำคัญไม่มีอะไรเป็นเครื่องที่จะติดข้องหรือจำนัดยินดี มีเรื่องท้องกายจริงจังเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราที่มีกีเลศตัญหาไม้มันว่ากายหญิงชายนั้นนั้นเป็นของสวยงามเป็นของหน้าจูบหน่าชมเป็นของที่น้ากำหนัดยินดีด้วยอํานาจที่ไม่หล่ที่นี้ที่ารนาหยบถายภายในจิตจึงใต้หลงงมงายหรือว่ากายนั่นนั้นเป็นของสวยสดงดงาม หากที่เรนาอยบถ่ า, ายถายในจิตในใจจริงจังความกำหนัดยินดีในเรื่องของกายจะหายไปเพราะเสียตากายทุกส่วนไม่มีที่ไหนอะไรซึ่งเป็นของสวยสดงดงามเป็นของปฏิกปูลโดยธรรมชาติไม่ว่าจะไหลออกมาจากวานรใดกายจะต้องมีความ เนามีความเหม็นมีความปฏิกูลขวไปไม่ว่าผูเด็กเล็กหรือปู้ใหญ่ตายเป็นอยู่อย่างนั้น ท, ท่านจึงให้เอาสติกําหนดเรื่องของกายให้เห็นตั้งว่าเป็นแต่การไม่ใช่ยญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อเราพิจารณาจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นความกําหนัดยินดีในเรื่องของกายก็จะหายไป นี่ไม้ยถึงสติตั้งในกายที่าจรนากายให้หยาบ่ายหยาบคายเข้าไปเท่าไรใจก็นับบันจะถอดถอนเรื่องความย็บมั่นสำคัญหมายในกายปเป็นถ่นนั้นอุกําหนดยธทานาตรงเหมือนกันเรื่องของธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันกันกบยาธรรมดายาเราเป็นโรคไข้ไข้เจ็บจะต้อง อาศัยยาเป็นเครื่องบำบัดรักษายามีหลายขนาดเพราะโรคคนไม่เหมือนกันยาขนาดหนึ่งแก่โรคแค น, นิดหนึ่งยาขนาดหนึ่งแก่โรคชค น, นิดหนึ่งเหตุนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกันกบยาเราผู๊เป็นโรคคือเจริญตันหาจากที่จะได้นาเรื่องของกายไม่สบายไม่ถูกตามอัยยาศัยของตน จากำหนดเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆในตัวของตัวก็ได้ถ้ากำหนดที่เจรณาเรื่องเวทนาจิตเข้าใจในเรื่องของเวทนาจริงจังก็จะเห็นเรื่องเวทนาเป็นขันธ์อันหนึ่งไม่ใส่จิตไม่ใส่กายเียังจะเป็นเสื่อมอาศัยเป็นเสื่องอยู่อันหนึ่ง คือเกี่ยวข้องกับจิตกับกายแต่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเห็นปสัจจคัดเจนเหนือเวลาเราพิจารณาเห็นสัจจคัดเจนอย่างนั้นเวทนาความทุกข์มันจะเกิดขึ้นขนาดไหนถ้าหากแยกเวทนากายจิตออกจากกันได้เวทนากวเป็นเหลี่ยมของเวทนากายกวเป็นเหลี่ยมของกายจิตกว่าเป็นเหลี่ยมของจิตถึงจะกระสับกระสายโต้โตะวหวเพราะเวทนาอนัตต า, บ, าบังคับบัญชาไม่ได้กาย ก็เป็นอนัตตาหมายถึงว่ารูปังอนัตตาใจจิตผู้ไปเห็นเรื่องของเวทนาเห็นเรื่องของกายไปจากชาัดเจนจิตนั้นไม่ใช่เวทนาไม่ใจกายคอยใจไปจากชาัดเจนแล้วก็ไม่ติตข้องยึดถือเรื่องในท้องเวทนาแบบนั้นจิตของคนผู้นั้นจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตวีมุตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ เป็นธรรมทั้แท้ไม่มีการกระสับกระสายกระบวนกระวายไม่มีการเสียดายไม่ยึดมั่นในเรื่องของกายของเวทนะหนีหมายถึงว่าผู้ที่นี้พิจารณาเข้าไปถึงเรื่องของจิต จ, จริงๆเป็นอย่างนั้นนี่เป็นทางจังสติใหที่นี้พิจรารณาเพราะธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงจริงไม่ใช่ <c oughs> อย่างอืน่น ผู้พิจารณาจะรู้จะเห็นเต็นขึ้นจากการกระทําบำเพ็ญของศนแล้วก็ไม่สงสัยทาคําสั่งสอนของผู้ใช้จ้าว่าเป็นโมฆะสำหรับผู้ ป, ปฏิบัติพราะเป็นปัด จ, จัดตังคือเห็นเองรู้เองประจักษ์ในจิตในใจของท่านท่านจึงเชื่อมั่นในการปฏิบัตปฏิบัติอาถกรรม่านั้นไม่ยอมละ ไม่ยอมปล่อยวางในการปฏิปฏบัติธรรมอะไรอื่นซึ่งโลกของเขานยยมชมชอบว่าดีอย่างนั้นเด่นอย่างนี้เมื่อเทียบกันแล้วกับการปฏิบัติทางจิตทางใจทางอัตทางธรรมของพระพุทธเจา้าท่านจะรู้จักเข้าใจในตัวของท่านอย่างเต็มที่ว่าสิ่งเหล่านั้น ไม่เป็นของดิท้องดีไม่เป็นของปอดเสืิอเิื่อเมือนเหลือนของธรรมะดังนั้นผู้ที่มีธรรมะภายในจิตในใจท่านจึงเป็นฉุขเฉโตจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเป็นอย่างไรจิตที่บริรสุทธิ์ฝุดผ่องสุขอยู่อย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาจะเอ็นเอียงหรือจะเสื่อมเสียเพราะท่านฝึกจิตปฏิบัติธรรม เข้าใจชัดเจนเห็นแจ้งเป็นอย่าง น, น้ไม่เหมือนพวกเราท่านที่ยังมีกิเลสตัณหาชักเฒ่ า, ากับจิตกับใจไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรจิตใจเจงจะสบายจะทําอย่างไรจิตใจเจงจะเป็นสุขเยื้อพุง่งปลุงไปตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นหักห้ามเอาไว้ไปอีกอย่างหนึ่งยิงบุนอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่มีวันสงบไม่มีวันเยียบเย็นไม่มีวันเป็นตัวของตัวเหตุนั้นพวกเราท่านจึงได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกการทุกสมัยถึงจะมีเข้าของเงินฟองมีของอื่นเพียงพอบริบูรณ์แตจิตมันวุ่นจิตมันเดือดร้อนเพราะมันสงบไม่ได้เมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติอาจทำรู้เห็นเป็นขึ้นจากตัวของท่าน ึงส่วนอื่นภายนอกจะอดจนผัดแทนสักเท่าไรท่านก็สบายภายในใจของท่านไม่ว่าตั้งแต่สมบัติภายนอกแม้แต่ร่างกายของท่านเองก็เหมือนกันจะป่วยไข้จนจะตายขนาดไหนท่านก็ยังมีความยินมแยามแจ่มใสยังมีความเมตตาอารีต่อตัตต่อบุคคลจีควรจะแนะนาคําสอน อย่างพระพุทธเจ้าชวนจตวรรีนิพพานท่านก็ยังบอกให้สุภัสสะปริทาสกเข้ามาหาถามปัญหาได้พอปัญหาข้องใจทำไมมาถามเราเราไม่มีคนอื่นจะแก้ไขให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้สุภัสสะปริทาสกเข้าไปถามปัญหาพระองค์แนะสอนให้สุภทัทสะก็เลย ได้ดวงตาเห็นธรรมได้รู้เป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นสาวกสุดท้าของพระพุทธเจ้าหลวงพุที่มีจิตเป็นอัจเป็นธรรมจริงจังเป็นอย่างนั้นไม่มีการบานไหวจิตทราเลิศคิดรุงแต่งถ้าหากเราไม่เอาสติต่อไปที่นี้ที่จริญนะก็ไม่ทราบว่ามันปรุงอะไรยึดอะไรไปอย่างไรมาอย่างไรเป็นลายได้ไรายเสียเป็น โลกเป็นธรรมเป็นกิเลสเป็นอะไรในศาสตร์ทางนั้นฉะนั้นฉันจึงให้ตั้งจิตตั้งสติลงไปสู่จิตที่นี้พิจารณาความปุงแต่งของจิตในขณะนี้เวลานี้มันปรุงมันคิดในเรื่องอะไรเป็นเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องเสิมเติมตกิเลสกัญหาแต่ที่นี้พิจะะารณาเรื่องของจิตหนึ่งเป็นทางตั้งสติอย่างหนึ่งทำหมายถึงอารมณ์ รวมรวมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตหรือจิตปรุงสุดงา น, นเรียงของธรรมในกำหนดเป็นที่ตั้งของสติผู้ที่ตั้งสติเอาไว้ในสติปัจฐานทั้งสี่พระพุทธองค์ทรงรับรองบ่าคนนั้นอย่างช้าที่สุดไม่เลยเจ็ปีจะมีสติเป็นสองคือหนึ่งถ้าหากไม่เป็นท่าอรหันต์ก็จะเป็นท่าอนาคา ไม่ได้ตกลงมาเกิดในโลกอันนี้เดี๋ยวสองตรินิ้จทานในชั้นของพระนาคาต่อไปคือชั้นอ่ะยี่หาอัตตาสุาสาทัศนาสุทสีนีกนนิขาหมายถึงชั้นของพระนาคามีพระนาคามีเป็นผู้ดีผู้เด่นก็พวกเรามากเพราะเหตุใดเพราะลาคะ ความกัณฑ์ ย, ยอมใจไม่มีปฏิกะความหงุดหงิดในใจิตในใจไม่มีคนเราที่เป็นทุกข์กันเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอื่นถ้านีธรรมรับกําหนัด ย, ยินดีร้อนใจเผาใจผนจรงเรียกว่าราคัตินาไฟคือราคะโทสักตินาไฟคือโทสัก ถ, ถ้าหากดับไฟเหล่านี้ได้จิตใจจะต้องสะดวกสบายเยือกเย็นธนาคาท่านดับได้ ผู้ที่ที่นี้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่จะเป็นกายเวทนาจิตธรรมหากตั้งจิตที่นี่พิจารณาสืบต่อกันอยู่เสนนิสในปล่อยจิตเทลอยลมไปสู่สัญญาภายนอกคนนั้นอย่างชา้าเพียงเจ็ดปีไม่ต้องถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนหรือเจ็ดวันจะต้องมีคติเป็นสองถ้าพระพุทธเจ้ารับรองอย่างนั้นมีพวกเราท่านเคยสดับ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 พอเทลงไปมันก็สบัดทิ้งเสียแหงไปไม่ค้างไม่ติดชั้นใดจิตของเราที่กำหนดการกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมขเหมอนกันสติไม่ตออ่อเนื่องกันเหตุ น, นั้นจิตของเราจึงไม่เห็นอัดทำที่พระพุทธเจ้าจรับรองไว้ถ้าหากทำกันจริงจังอย่างนั้นเชื่อมั่น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 และการทำบำเพ็บังคับจิตบังคับใจให้มีสติที่นิจารณากายหรือเวทนาจิตทำอยู่เบบอจิตที่เคยปุ้งเคยปรุงเคเรื่องนอกก็ฝ่ยจะหดตัวเข้ามาเห็นโทษของจิเลตันหาเห็นโทษของสัญญาอารมณ์เพราะเรื่องเหล่านั้นเราเคยเดีจิตตามมาเป็นเวลานมนาแต่ความสุขความสบาย ในจิตของเราไม่มีก่อเหตุที่ว่าเราเชื่อกิเลสตัณหากัญญาอารมณ์นั่นเองเราไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อธรรมของพุทธเจ้ากาหนดธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสตัณหาจะมาเกี่ยวข้องปุ่งุ่งขึ้นจา ก, กจิตท้องตนหรือสัญจรมาจากตาจากหูต่างๆเราก็ไม่ติดตาม เราจะได้ความสงบเราจะได้ความเยือกเยน็นเราจะได้ความเป็นสุขจากการละมั่ระวังการมีสจิยับยัง้งการตั้งใจรักษาฉะนั้นเราท่านทุกคนที่มุ่งมั่นมาฝึกฝนด้านจิตใจก็ขอจงพากันนำธรรมะํามสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัด ดัดกายวายกา จ, จิตของตนเพราะธรรมะเท่านั้นจะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าเรื่องกิเลสตัณหาได้ไม่ ใ, ใช่ว่าการศึกษาตำหลับตำราการไปเห็นด้วยหู ด, ด้วยตาเรื่องความเจริญภายในโอกเป็นเรื่องจากกำจัดปัดเป่ากิเลสตัณหาเรื่องหูเรื่องตาเรื่องอายตนะต่างหาก เราใหม่ที่นี้พิจารณาน้อมเข้ามาเป็นอจเป็นธรรมแล้วซึงเรานั้นก็มีแต่สิ่งที่จะนำจิตใจให้พุ่งฟุงไปใายนอกเฮิเฮิมเดียนรนปัดแปงยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีวันเยือบเย็นเป็นสุดได้ธรรมะท่านจึงว่าเป็นอาการิ่โกหรือเป็นโอปะณยิ่โกน้อมเข้ามาถ้าหากรู้จัก น้องสิ่งภายนอกเข้ามาที่เจรณาเป็นธรรมะไม่ต้องไปฟังธรรมะจากท่าอวดท้องทาย ศ, ศาสร์ดาหรือครูอาจารย์ที่ไหนแต่ใจของเราคิดธรรมะปรุงธรรมะน้อมสิ่งที่ตาได้เห็นหูได้ยินเข้ามาที่เจรณาเป็นธรรมะยังสนอนสะสมัยเก่าก่อนให้อยู่คนต้นไม้ก่อเพราะอาศัยว่าอยู่คนต้นไม้ มันมีอย่างดีหลายอย่างคือการนอนก็ไม่ค่อยจะนอนสนิทเหมือนเรานอนในบ้านในกุฏจะติดทามสว่างพอคือนอนเมื่อไรก็จะได้เดินโยงโรมภาวนาง่ายนอกจากนั้นสนไม้ก็เป็นเครื่องที่จะพิจารณาทำไดา้หากิจของพระหรือโยภาวาจรสอดทำคิดทำ เธยมีในประวัติพุทธ่าพุทธการถ้าที่อยู่คนไม้เห็นใบไม้ร่วงลงมาก่อพิจารณาเอาเป็นอาจเป็นธรรมสอนตนจนจิตใจร่วงคนเป็นท้ารหัดอะหัรหใบไม้มันก็ไม่ได้สอนอะไรมันก็ร่วงตามถ้าษีภาษาของมันแต่ท่านมาเกียบเพียงเิอย่างท้องตายมันเกิดขึ้น แล้วก็แปรปวนแตกสลายเหมือนกันกันกบใบไม้ที่มันร่วงมันหล่นลงมาทัานที่จะน้อมผมมาสอนตัวอย่างนั้นอันอื่นก็เหมือนกันผู้เป็นนักทำภายในใจเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นธรรมไปทางนั้นถ้าจิตเป็นโลกหรอกพระพุทธเจ้าจะแนะนําสั่มสอนอยู่ตลอดเวลาจิตก็ไม่รักเป็นโลกไปหมดเพราะ จิตปุงไปเหลืองทั่วโลกฉะนั้นเราจึงสอนจิตของเราให้ v o เข้ามาเป็นอาจเป็นธรรมเราจะกําหนดส่วนอื่นก็กําหนดได้นอกจากกายเวทนาจิตธรรมแล้วเพราะเรื่องรูปทั่วไปก็เหมือนกับกายของเราถ้าหากเราเห็นกายของเราอยากทายว่าเป็นอนิจจัง คือมีการเกิดขึ้นเบื้องต้นแปรปวนไปในถ้ำกลางแล้วก็จะแตกสลายในที่สุดสัตว์มนุษย์หรือสัตว์ดิบสารพัวโลกเหมือนกันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าตั้งแต่สิ่งที่มีวิญญาณสิงหาวิญญาณนี้ได้ก็จะเป็นไปทั้นองเดียวกันเมื่อจิตรู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นโลกนลี้ละเหมือนหน้ากองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไต่อย่างนั้น ไม่มีอะไรปิดบังพอตั้งอยู่ในใจรักเสมอการจิตของ่านจึงสะดวกสบายไม่มีข้าศึกอันตรายเห็นอะไรก็เป็นอาจเป็นธรรมไปหมดนี่เรายังไม่เป็นอาจเป็นธรรมอย่างนั้นจะต้องหมั่นทินี้ที่เจนาสุดสอนจิตใจของตนบุคคลที่จะพินิ้พิจารณาอัธรรมชนิดนี้เรียกว่ายิปั์เป็ น, นาคือการทินิ้พิจเจนา เพื่อให้เกิดสติปัญญาเพื่อแก้ไขจิตใจจิตจิตท่องแกจิตใจยืสติปัญญาจะเกิดเป็นนิัพานาได้ก็ต้องอาศัยสมาธิเพื่อความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตเป็นของสําคัญอันหนึ่งฉะนั้นใจติดหาท่านจึงหวะสีนสมาธิปัญญาสีนก็คือการสังวรรักษาเจตนางัเว้นจากความทั่วสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต ปัญญาคือความรอ บ, บรู้ในกองขั้นฐานสมาธิคือความสงบของจิตความสงบของจิตความตั้งมั่นของจิตจิตสงบเยอะก่อนถึง่อยจะตั้งมั่นได้ถ้าจิตยังไม่สงบตั้งมั่นไม่ได้เห็นอะไรก่ที่จะรายานในแยบถ่ายเพราะจิตในตั้งมัน่นถ้าจิตตั้งมัน่น ลงรวมจิตได้รับความสงบเฉินอะไรก็พิจรารณาแน่นอนชัดเจนเป็นปัญญาินดเฉ็นธรรมดาพิจรารณาธรรมดาด้วยปัญญาใช้ก่อพิจารณาได้จำกันได้แต่แค่ว่าจิตใจจะมันมันจะแก้ไขหรือปล่อยวางตามคำพูดคาจำหรือไม่เราก็พอคาดได้ว่าคำจำของเราคมคิดของเรา คามเห็นของเรามันจะ้ไขจิตเหลือปัญหาในดังมันจึงหลงยึดหลงถือสําคัญหมันไหมอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากจิตเป็นสมาธิมันเห็นแท่เป็นจริงเห็นอันเดียวกันแปลกๆกันที่แบบมันส่อยมันวางไม่เหมือนกัญญาที่เราจํามาจิตจึงควรฝึก ให้เป็นสมาชิแค่ก่อนการฝึกให้เป็นสมาชิฝึกให้จิตลงรวมโดยส่วนใหญ่ก็คือฝึกให้ทิตให้กำหนดแห่งก่อได้หรือกำหนดบทคําก่อได้เห็นบทบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างให้จิตอยู่กับพุทโธไม่ให ให้ปรุงไปส่วนอื่นถึงอารมณ์อื่นจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนมาหยั่วยุให้จิตของเราคุ้งปุงไปแล้วก็ไม่เชื่อไม่จิตตามเพราะเราเชื่อมั่นว่าพุทโธนี่แหละจะทําจิตทําใจของเราให้สงบระงับได้เราเคยปล่อยไปตามเรื่องทายออกปล่อยมานานแล้วจิตไม่เคยสงบรงรวมได้เราจะเอาพุทโธนี่แหละเป็น ที่เกาะที่พึ่งของเราเมื่อได้จิตยังไม่ลงรวมในความอัศจรรย์จากการกระทาเราจะไม่ยอมลุกจากที่นั่นเราจะทีชีวิตต่อพุโทโธแล้วก็บริกรรมอยู่นั้นจนจิตเป็นพุโทโธพุโทโธเป็นจิตแล้วก็ลงสงบความสงบคนที่ไม่เคยประสบพบเห็นก็จะไม่ทราบว่าความสงบมีรสชาติเป็นอย่างไรแตกประหลาดอย่างไร จากจิตธรรมดาถ้าฝูกไปสอบมาแล้วก็พอจะรู้จะเข้าใจความสงบก็มีหลายขั้นหลายอย่างถ้าสงบจริงจังปล่อยวางไปหมดเวทนาสัญญาไม่มีคือคามเียบความปวดหรือความมั่นหมายบ่าเรามีเนื้อมีกายอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ไม่มีถ้าหามันสงบอยู่อย่างนี้ จะอยู่สักกี่ปีกีเดือนก็ได้ไม่มีเน็ด ม, มีเหนือ่อยไม่มีเมือ่อยมีหิวสะดวกสบายเบากายเบาจิตอย่างเดียวะจิตสงบถึงที่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ความสงบเรารู้เราเห็นเด่นชัดในตัวของเราเราจะมนเชื่อมัน่นในพระพุทธเจ้าหรือพาะอรหันตอรหันอย่างไรเพียงเราสงบเพียงแค่นี้ความสุขมันก็ดีพิเศษขนาดนี้ ผู้ที่ท่านหมดจดจากที่เหลือจะมีความสุขความสบายขนาดนั้นเราก็มีกำลังใจมีศรัทธาอยากจะกจะทำบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นอยู่อย่างนั้นใจเชื่อมัน่นในํำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสงบได้อย่างนั้นการที่เจรณนาอัจทำซึ่งเรียกแบบปัญญาหรือวิปัสสนาเพราะ ถอนขึ้นมาจากการสงบเราจะพิจารณาอะไรก็แจ่มใสชัดเจนขึ้นเพราะเหตุพื้นฐานคือความสงบมีเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีความสงบเสียก่อนความสงบ ก, ก็ไม่ใช่คนอื่นจะหามาให้เกิดขึ้นจากตายจากใจของเราที่การทำบาเพ็ญเองดังนั้นเราเดียวนี้มีธุระหน้าที่ มีการงานอะไรนอกจากจะกำหนดใจให้สงบเท่านั้นเราพึงทําจิตทําใจของตนให้สงบเนี่ยสงบแล้วจะต้องมีความสบายเกิดสุขมีปีติมีความสุขเรียกง่ายๆไม่ว่าตั้งแต่จิตสงบียังบ้านเมืองสงบเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไปมาหาสู่สถานที่ใดมันมีเรือนมีภยัยสะดวกสบาย ฝับคัวสงบเราก็สบายในมีเรื่องวุ่นวาย่อกวนจิตใจกายสงบเราก็สบายอีกเหมือนกันแต่ากายเจอโรคไค้ไขเจ็บนั้นก็เลือดร้อนลำบากความสงบจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่พวกเราท่านจะฝึกให้สงบให้เป็นให้เห็น